74ชาวพุทธต้องพึ่งตัวเองให้ได้วงเล็บเปิด26กุมภาพันสอในวงเล็บสองวงเล็บปิดชาวพุทธต้องพึ่งตัวเองให้ได้หลวงพ่อแค่ช่วยสอนหลักที่พระพุทธเจ้าบอกมาเท่านั้นเองบอกต่อให้ฟังให้เรารู้สึกแล้วเราต้องช่วยตัวเองธรรมะเป็นของคนเข้มแข็งไม่ใช่ของคนอ่อนแอธรรมะเป็นของคนสู้ไม่ใช่ของคนท้อถอย ธรรมะเป็นของคนช่วยตัวเองไม่ร้องให้เทวดาอินพรหมหรือครูบาอาจารย์มาช่วยไม่มีใครช่วยเราได้ตอนหลวงพ่อภาวนาหลวงพ่อไม่เคยหวังว่าครูบาอาจารย์จะต้องมาโอบอุ้มอะไรหรอกเราไปแค่เรียนเท่านั้นแหละเรียนให้รู้หลักแล้วก็เอามาทำเอาหลักของการปฏิบัติไม่มีอะไรมากหรอกถ้าดูจิตได้ก็ดูไปเลยถ้าดูจิตไม่ได้ก็ดูกายดูกายไม่ได้ก็ทาความสงบเข้ามาทาความสงบไม่ได้ ทำอะไรก็ได้ที่ดีๆทำไปก่อนสิ่งที่ดีงามทั้งหลายทำไปแล้วจิตใจเราจะมีความสุขความสงบขึ้นมาพอจิตใจมีความสุขความสงบเรารู้ทันว่าจิตมีความสุขมีความสงบนี่เริ่มเดินปัญญาแล้วนี่ไล่ขึ้นไล่ลงไม่ได้ยากอะไรหรอกคอยฝึกเอาง่ายนะอย่าเอาแต่คิดเอาอย่าเอาแต่เพ่งเอา ศัตรูของการปฏิบัติถ้าไม่เผลอไปคิดเอาก็เผลอไปเพ่งเอาที่ผิดมีสองอันเท่านี้แหละถ้าไม่เผลอถ้าไม่เพ่งนะคอยรู้สึกกายบ้างรู้สึกใจบ้างรู้บ้างเผลอบ้างไม่ใช่รู้ตลอดเวลาถ้าคนไหนรู้ตลอดเวลาคนนั้นเพ่งแน่นอนเพราะจิตของคนปกติมันทํางานตลอดเวลาเดี๋ยวก็ต้องคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้จะให้มันมารู้กายรู้ใจตลอดเวลาเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นถ้าใครรู้กายรู้ใจตลอดเวลา รู้เอาไว้เลยว่าเพ่งแน่นอนใจเราจะพลิกไปพลิกมาอย่างนี้เดี๋ยวก็เผลอไปพอรู้ว่าเผลอก็เพ่งวนเวียนอยู่อย่างนี้เองถามว่าดีหรือไม่ดีไม่นับว่าดีหรือนับว่าไม่ดีหรอกนะใจลอยแล้วก็รู้เอาเพ่งแล้วก็รู้เอารู้สึกตัวแล้วก็รู้เอามันจะหมุนเวียนไปเรื่อยๆเห็นมันหมุนเวียนไปจะเห็นเลยจิตจะใจลอยห้ามมันไม่ได้จิตจะรู้สึกตัวสั่งให้รู้สึกไม่ได้ จิตจะไปเพ่งก็ห้ามมันไม่ได้ดูไปอย่างนั้นแหละในที่สุดก็เห็นเลยจิต ท, ทั้งหมดมันทำงานของมันมันไม่ใช่ตัวเราดูไปเรื่อยเราหัสภาวนานะตั้งหลังให้ดี